บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่สเนวะสัญญานาสัญญายตนะใช้ธรรมวิปัสสนาไม่ได้จริงหรือเนวะสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิยตานิโรธจัดได้ว่าเป็นสมาบัติจำพวกเสวยผลมิใช่ประเภทสำหรับใช้ทากิจ สมาบัติที่ต่ำกว่านั้นคือตั้งแต่อากินจัญญายาตนะลงไปจึงจะใช้ได้ทั้งสําหรับเสวยผลและสําหรับทํากิจทั้งนี้เพราะยังมีสัญญาและทำอื่นๆที่ประกอบร่วมอยู่ชัดเจนพอดังที่ท่านเรียกอากินจัญญายาตนะว่าเป็นยอดแห่งสัญญาสมาบัติคือเป็นสมาบัติชั้นสูงสุดที่ยังมีสัญญาหรือบางทีเรียกว่าสัญญักคะ แปลว่ายอดแห่งสัญญาหรือสัญญาอย่างยอดเพราะเป็นสมมาบัติโลกีชั้นสูงสุดที่ใช้ทากิจได้เนวาสัญญานาสัญญาญาตนะเป็นภาวะที่ละเอียดเกินไปจนเรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ดังกล่าวแล้วข้างต้นและได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสังขาราวเสสะสมมาบัตแปลว่า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 เว้นแต่ผู้มีปัญญาอย่างพระสารีบุตรขึ้นไปและแม้แต่พระสารีบุตรเองก็พิจารณาได้เพียงแบบเหมารวมหรือรวบเป็นกลุ่มอย่างที่เรียกว่ากลาปวิปัสนาอย่างเดียวมีแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นที่จะ ก, กําหนดองค์ธรรมแยกออกพิจารณาเป็นรายข้อตามลาดับคือทำอนุปปัฏฐธรรมวิปัสนาได้แม้ว่าโดยหลักการทั่วไปท่านมักกล่าวคลุมคลุมรวมรวมกันไปว่า สมาบัต ท, ทั้ง 8. หรือรูปฌานสี่และอรูปฌาน4เป็นบาตแห่งวิปัสนาได้ทั้งหมดเป็นบาตแห่งผลสมาบัติได้ทั้งหมดและร่วมกันหมดทุกข้อรวมเป็นบาตของนิโรธสมาบัตแต่ภาวะที่เนวสัญญาณาสัญญาณเจตนะเป็นบาตหาเหมือนกับเอาฌานสมาบัติข้ออื่นๆเป็นบาตไม่คือไม่ใช่เป็นตัวทากิจแท้จริงที่กล่าวนี้เห็นได้ชัดในการเข้านิโรธสมาบัต ท่านชี้แจงให้เห็นว่าสมาบัตที่เป็นขั้นทําการก็คืออากินจัญญาญาตนะส่วนเนวสัญญานาสัญญายาตนะแม้จะเป็นขั้นตอนที่จําเป็นแต่ก็มีสภาพคล้ายเป็นทางผ่านเท่านั้นผู้ใดจะเข้านินโรธสมมาบัตแม้เข้าสมมาบัตผ่านมาโดยลําดับจนถึงเนวสัญญานาสัญญาญาตนะแล้วแต่ในตอนที่ผ่านจากอากินจัญญาญาตนะก่อนจะเข้าเนวสัญญาณาสัญญายาตนะไม่ได้ทําบุปกิก คือไม่ได้เตรียมจิตให้พร้อมที่จะเข้านิโรธไว้ก็ไม่อาจเข้านิโรธสมาบัติได้และเมื่อเข้านิโรธไม่สำเร็จก็ต้องถอยกลับไปอยู่ในอากิญจายาญาตนามิใช่คงอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะเหตุผลเหล่านี้พอให้ลงสันนิษฐานได้ว่าเนวสัญญานาสัญญายัตนาสมาบัติเป็นภาวะจำเพาะตัวเป็นจุดจำเพาะแห่งการเสวยผลของมันเองล้วน เมื่อออกจากสมาบัตินี้ก็เป็นการออกมาเลยพูดโดยนิปรยายาว่าไม่มีภาวะจิตสืบเนื่องในระดับนี้ในการเจริญวิปัสนาเมื่อออกจากเนวสัญญาณสัญญายาตนะมาพิจารณาสังขารธรรมก็ไม่ใช่ออกเพียงเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เหมือนอย่างออกจากฌานสมาบัติข้ออื่นความจริงเนวสัญญาาสัญ ญ, ญายตนะสมาบัติไม่มีอารมณ์ของมันเองด้วยซ้ำ คนที่จะเข้าสมาบัติข้อนี้กำหนดเอาอากินจัญญาณยตนะนั่นเองเป็นอารมณ์เพื่อจะก้าล่วงไปเสียเมื่อก้าวล่วงคือปล่อยหรือผละจากอารมณ์นั้นได้จึงเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบาัตินี้การออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะมาพิจารณาสังขารธรรมจึงไม่ใช่ออกเพียงเพื่อเปลี่ยนอารมณ์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 แม้ว่าโดยหลักการทั่วไปอาจพูดได้ว่าทำเนวสัญญานาสัญญาญาตนะให้เป็นบาทของวิปัสนาแต่ความจริงคำที่กล่าวเฉพาะเจาะจงลงไปอย่างนี้ยังไม่พบเลยถ้าจะพูดว่าทำเนวสัญญานาสัญญาญาตนะให้เป็นบาทของวิปัสนาคำว่าเป็นบาทในที่นี้ก็จะมีความหมายเพียงว่าได้ผ่านการเข้าเนวสัญญานาสัญญาญาตนะออกมาแล้ว ซึ่งก็ย่อมจะช่วยทำให้จิตประณีตสนิทมากขึ้นอีกแต่ก็จะต้องถือว่าภาวะจิตที่ใช้เจริญวิปัสสนาเวลานั้นเป็นอัปปนาสมาธิระดับอากิญจัญญายัตนะอยู่นั่นเองและพึงระลึกไว้ด้วยว่าสมาธิในอรูปฌานทั้งหมดล้วนเป็นระดับจะตุจฌานทั้งสิ้นมีข้อพิเศษเพียงว่าเป็นภาวะที่ประนีตห่างไกลจากปัจจนิกระทคือสิ่งรบกวนออกไปมากขึ้นเท่านั้น ส่วนสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นข้อที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสมาบัตสำหรับเสวยผลแท้และไม่อา จ, จเจริญวิปัสสนาภายในสมาบัติได้เพราะไม่มีสัญญาและเวทนารวมทั้งขันอื่นอื่นอันประกอบร่วมที่จะใช้กำหนดพิจารณาได้ยิ่งกว่านั้นยังมีภาวะพิเศษจากฌานสมาบัตอื่นอื่นทั้งหมดคือเป็นแต่สมาบัตอย่างเดียวไม่เป็นสมาธิจึงเป็นการแน่นอนว่า ต้องออกจากสมาบัติก่อนจึงเจริญวิปัสสนาได้เมื่อออกจากสมาบัตินี้แล้วจะเจริญวิปัสสนาก็ควรมาอยู่ในภาวะจิตที่เป็นสมาธิในระดับสูงสุดที่จะใช้ทํากิจได้กล่าวคืออากิญจัญญาจะตะนะหหรือจะลงไปใช้ภาวะจิตระดับต่ำลงไปแม้จนถึงขณิกะสมาธิซึ่งไม่ใช้กําลังฌานสมาบัติเลยก็ย่อมได้เพราะผู้ที่ได้สมาบัติที่สูงกว่าย่อมมีสิทธิ ในสมาบัติที่ต่ำลงมากว่านั้นเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามแม้ว่าสมาบัติสูงสุดข้อนี้จะใช้เจริญวิปัสสนาเองโดยตรงไม่ได้แต่การเข้าสมาบัตินี้ก็ย่อมช่วยเสริมคุณสมบัติของจิตให้ประณีตสนิทยิ่งขึ้นมีผลดีต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอันมากดังได้กล่าวไว้แล้วในตัวบทขั้นตน้น